อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเกี่ยวกับการพิจารณานะครับสูตรนี้มีอัธยที่ลึกซึ้งมากนะครับเท่าที่ที่อ่านอ่านมานะครับสูตรนี้ น, นะอ่านที่แรกเลยพอดูอัรยาทาแล้วก็โอ้โหลึกซึ้งเกินที่คิดนะครับในอุปริกขยาสูตรนะครับองคตว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็เมื่อพิสูุนพิจารณาอยู่ด้วยประการใดๆ วิญญาณของเธอไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่สายไปแล้วไม่หยุดอยู่แล้วในภายในนะครับอันนี้นะอันนี้หมายถึงระดับปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเลยนะครับระดับวิปัสนาญาณชั้นสูงภิกษุพึงพิจารณาด้วยประการนั้ น, น, นเมื่อภิกษุไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นความสมภพคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์คือชาติชราและมรณะ ย่อมมีต่อไปไม่ได้นะครับคือเมื่อเจริญอนุปัสนาแล้วก็พิจารณาจนบรรลุมรรคแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สะดุ้งแล้วเพราะไม่ถือมั่นแล้วปฏิสนธิในภพใหม่ต่อๆไปก็ไม่มีภิกษุผู้ละธรรมะเป็นเครื่องค้องเจ็ดประการได้แล้วตัดตัณหาเป็นเหตุนำไปในภพขาดแล้วมีสงสารสงสารคือขันนะครับหมายถึงชาติหมดสิ้นแล้วภพใหม่ของเธอ ย่อมไม่มีเพราะว่าไม่มีปฏิสนธิในพบใหม่อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าตถาถาตถาโดยประการนั้นนะครับก็คือที่ในประสูนแบบว่าโดยด้วยประการใดๆเนี่ยนะบทว่าอุปริกขยยะความว่าพึงพิจารณาไต่ตรองหรือตรวจตราดูพิจารณาเนี่ยแค่ไหนครับก็คือทั้งไต่ตรองทั้งตรวจตราทั้งนะวินิจฉัยอย่างรอบคอบนะครับ บทว่ายะถายะธาสะอุปริกขโตวความว่าเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่โดยประการใดๆบทว่าพระหิทธา จ, จ, จะจัดสวิญญาณังอวิขิตตังอวิสตังความว่าวิญญาณวิญญาณคือจิตเนี่ยนะครับจิตของเธอชื่อว่าไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยนะเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในอารมณ์มีรูปเป็นต้นภายนอก นะครับคือจิตตั้งมั่นพึงเป็นจิตไม่ซัดสายไปจากอารมณ์กรรมฐานนั่นเองมีผู้ทารที่บายว่าดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเมื่อพิสษุรูปนี้ผู้ปรารบวิปัสนาไข้ครวนคือพิจารณาสังขารทั้งหลายได้แก่ถือเอานิมิตในสมถะด้วยอำนาจแห่งการกําหนดอาการที่จิตตั้งมั่นมาก่อนแล้วก็ให้สัมมสนญญาณเป็นไป ตลอดเวลาไม่มีระหว่างขั้นโดยเคารพวิปสัสนาจิตของตนจะไม่พึงเกิดขึ้นในอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่นอกไปจากกรรมฐานคือไม่พึงเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่านเพราะปรารบความเพียรมากเกินไปโดยประการใดๆพิสษุพึงพิจารณาคือไตรตรองโดยประการนั้นๆ น, น, นะครับตรงนี้ก็เห็นชัดนะครับที่ว่าไม่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับ ไม่ฟุ้งซ่านนั้นหมายถึงว่าไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกเพราะฉะนั้นในชั้นต้นตรงนี้นะครับก็ต้องรู้จักสมถานิมิตเป็นอย่างดีนะครับว่าอะไรเป็นสมถานิมิตใช่ไหมครับเช่นอารมณ์ของกรรมฐานทั้ง40นั่นแหละเป็นสมถานิมิตกรรมธรรมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมถานิมิตพอออกจากสมถานิมิตเหล่านั้นแล้วก็ให้สัมมสัยานเนี่ยเกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นโดยเคารพนะครับพอออกจากสมถะเจริญวิปัสสนาเลยนะครับ คำว่าสัมมาสนญญางก็คือยามที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับโดยที่เป็นชั้นสูงไปอีกก็คือพิจารณาขันทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับหรือแม้กระทั่งพิจารณารูปสัตตกะอรูปสัตตกะทีนี้เมื่อเจริญวิปัสนาพิจารณาไปอย่างนี้เนี่ยนะครับ วิปัสสนาก็จะไม่เกิดขึ้นในอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่นอกไปจากกรรมฐานนะครับจะไม่ไปคิดฟุ้งเรื่อยเปื่อยนะครับคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจของสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับควบคุมให้เป็นไปกับวิปัสสนานิมิตรตลอดไม่เป็นไปในรูปเสียงเปลี่ยนรสที่ไม่เพิงปรารถนาเพราะฉะนั้นคนที่เจริญได้ระดับนี้แล้วนะครับเลือกคิดได้แล้วนะครับเขาเลือกคิดเขาไม่อยากคิดอะไรก็ไม่คิด คือไม่คิดอะไรที่เป็นไปในกาลทั้งหลายเขาจะคิดที่เป็นไปกับวิปัสนาทั้งหลายหมายคือว่าสิ่งสิ่งเดียวกันนี่นะครับคนที่ไม่ได้ฝึกอบรมมานะจะคิดแล้วราคะโทสะโมหะนี่เกิดแต่ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะครับมีสัมมาสัญญาเป็นอย่างดีอารมณ์นั้นแหละแต่เขาไข้ควรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเบนต้นได้นะคะเพราะว่าสามารถควบคุมสติปัญญาได้แล้วนะครับเพราะว่าอุปนิสัยพื้นฐานแห่งการอบรมนี่มาเป็นอย่างดี ทีนี้บทว่าอัจฉตัง์อาสานหิตรังเนี่ยนะที่แปลบอกว่าไม่สายไปแล้วเนี่ยแค่ไหนครับก็คือเพราะเหตุที่จิตของเธอชื่อว่าหยุดอยู่แล้วเพราะหยุดอยู่ด้วยอํานาจความไม่ปั่นปวนนะครับใจนี่ไม่ปั่นปวนไม่วุ่นวายไม่กระวนกระวายนะครับชื่อว่าในภายในคือในอารมณ์กรรมฐานกล่าวคืออารมณ์ที่มีอยู่ในภายในโดยการครอบงําความเกลียดคร้านไว้ได้เพราะเหตุที่เบื่อความเพียร ดำเนินไปเพลาลงแล้วสมาธิก็จะมีกําลังนะครับคือจิตเนี่ยนะครับไม่ฟุ้งนะครับเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นแต่เมื่อพระโยคาวาจรประกอบความเพียรสม่ําเสมอแล้วจิตก็ชื่อว่าไม่หยุดอยู่คือเป็นจิตดําเนินไปสู่วิถีแล้วฉะนั้นพิสูจนั้นพึงพิจารณาโดยประการที่เธอพิจารณาแล้ววิญญาณจิตจะไม่หยุดอยู่ในภายในคือจะพึงดําเนินไปสู่วิถีนะครับ คือเมื่อเจริญถูกต้องแบบนี้นี่นะครับจิตต้องอหยุดอยู่คือไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ไม่สายไม่ฟุง้งไม่สายแล้วก็เป็นจิตที่ไม่หยุดอยู่ไม่ดำรงมั่นอยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าวิปัสสนาทั้งหลายก็จะดำเนินเจริญขึ้นไปเรื่อยๆบทว่าอนุปาทายะปริตตสยะมีการเชื่อมความว่าภิสูนั้นควรพิจารณาโดยประการที่ เมื่อเธอพิจารณาอยู่จะไม่ยึดถือสังขาอรอะไรๆในรูปเป็นต้นด้วยอำนาจการยึดถือด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐินะครับคือไม่มีตัณหาทิฏฐิไปยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยนะครับ ตันหาที่ไปเพลิดเพลินในรูปว่าโอ้ในอดีตรเราเคยมีรูปอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยนะหรือว่าอนาคตจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบนั้นแบบนั้นแหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันนี้ดีเหลือเกินอย่างเงี้ยนะครับในการยึดถือด้วยอำนาะจตันหามานะทิฏฐิแบบนี้ไม่มีนะไม่ยึดถือว่านั่นของเรานั่นอัตตาของเรานะครับต่อแต่นั้นไปนั่นเองก็จะไม่พึงหวัดเสืดุ้ง ด้วยอํานาจการยึดถือด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิไอ้ความยึดถือเนี่ยนะครับมันเป็นต้นเหตุแห่งความสะดุ้งเพราะความผูกพันความเพลดิดเพลินนั่นแหละครับเป็นเหตุแห่งความสะดุ้งถ้าไม่ไม่ยึดถือด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐิเป็นต้นก็จะไม่สะดุ้งไอ้ที่ไม่สะดุ้งเนี่ยหมายถึงว่าพิจารณาด้วยอํานาจ อ, อนุปัสนาเป็นต้นเนี่ยมาเป็นอย่างดีแล้วถามว่าก็เมื่อพิจารณาอยู่อย่างไรนะครับทั้ง3อย่างนี้คือจิตหยุด ไม่หยุดดำเนินไปสู่วิถีจึงจะพิงมีนะครับถามว่าไอ้ที่ปฏิบัติอย่างที่พูดพูดเนี่ยปฏิบัติอย่างไรว่า ง, งั้นเถอะแก่ว่าเมื่อเธอระลึกถึงธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่านและธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความเกียดคร้านประกอบความเพียรให้สม่าเสมอชำระจิตให้สะอาดจากวิปัสณูปกิเลสในตอนต้นแล้วต่อไปก็พิจารณาโดยที่วิปัสนาญาณ จะพึงดําเนินไปสู่วิปั ส, สนาวิถีโดยชอบนั่นเองคือหมายความว่าหลังจากที่พิจารณาถึงหรือพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับนะครับว่ารูปจะเกิดเกิดโดยอาการ5นะครับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างจะเกิดก็เกิดโดยอาการ5นะครับแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเสื่อมก็เสื่อมโดยอาการ อย่างละห้าอย่างละหเป็นต้นนะครับเหตุเกิดความดับก็จะมีโดยอาการห้าสิบเมื่อมีการพิจารณาการใคร่ครวนในลักษณะนี้อย่างเพียงพอจนครบถ้วนบริบูรณ์หมดแล้วเนี่ยนะครับวิปัสสนูปกิเลสก็จะเกิดเมื่อวิปัสสนูปกิเลสเกิดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจิตก็ไม่ชําระจิตให้พ้นจากวิปัสสนูปกิเลสก็จะดําเนินวิถีขึ้นสู่อนุปัสนาทั้งหลายนะครับคือตามเห็น รูปนามขันท่าแต่ละอย่างโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะครับไม่เที่ยงเนี่ยพอสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระหรือว่าเจริญอนุปัสนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จแล้วก็เจริญอนุปัสนาในปัญญาที่เจริญอนุปัสนานั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเจริญอนุปัสนาในอนุปัสนาทั้งหลายเช่นพิจารณารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับ แล้วก็พิจารณาปัญญาอันนั้นแหละที่พิจารณารูปเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นะน ะ, ะถ้าระดับสูงชั้นนี้แล้วเขาเรียกว่าปฏิปทายาณทัศนวิสุท ธ, ธิแล้วนะครับสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงอุบายสำหรับชำระจิตให้สะอาดจากความเพียรมากเกินไปความเพียรหย่อนเกินไปและวิปัสสนูปกิเลสด้วยปฏิปทาญาณทัศนวิสุท ธ, ธิที่ประกอบแล้ว แกผู้บำเพ็ญกรรมฐานมีสัจจะทั้ง4เป็นอารมณ์อย่างนี้ทั้งหมดนี่นะครับมีสัจจะ4เป็นอารมณ์แล้วนะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้ขันห้าเกิดเหตุปัจจัยอันนั้นเรียกว่าสมุทัยสัตว์นะครับตัวขันห้าที่เกิดและเสื่อมตัวนั้นแหละเป็นทุกขสัตว์นะครับแล้วก็ปัญญาที่ยังถึงว่าเออความไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับทุกขสัตว์เหล่านั้นก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลือนะอันนั้นเป็นนิโรกียานิโรธสัตว์นะครับ ทีนี้ไอ้ข้อปฏิบัติที่เห็นเหตุเกิดและความดับนะครับเห็นทุกเห็นสมุทัยอย่างถึงนิโรธที่เป็นโล ก, กียอันนั้นก็เป็นมักศัตดิ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกิจของปัญญานะครับของญาณะในระดับปฏิปทายานทัศนวิสุทธินะครับซึ่งตรงนี้พระองค์ก็แสดงอย่างบริบูรณ์แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงว่าเมื่อพระโยคาวจรชำระวิปัสนาญาณให้สะอาดอย่างนั้น ไม่นานเลยก็จะเป็นไปเพื่อความสืบต่อด้วยวิปัสนามัทแล้วก้าวล่วงทุกนะก้าวล่วงวัตทุทข์ได้ทั้งสิ้นนะครับคือถ้าดำเนินหรือประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับตามนี้ไม่นานครับพ้นทุก์แน่นอนจิพงจึงตรัสว่าพระหิทธาพิกเววิญญาณีนะครับส่วนพระพุพทธพจ์เทศพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าการสมพบ นะสมภพเนี่ยแปลว่าการเกิดนะครับคือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์คือชาติชราและมรณนะจะไม่มีต่อไปมีเนื้อความดังนี้ว่าคือเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วนะครับด้วยมรรคเบื้องปลายตามลําดับมรรคโดยไม่มีเหลือมรรคเบื้องปลายเป็นชื่อของอรหัตตมรรคแต่อรหัตตมรรคก็จะเกิดโดยลําดับมรรคก่อนๆครับมีอนาคามิมรรคสกาธาคามีมรรคและโสดาปติมรรคเนี่ยนะครับเพราะสืบต่อด้วยวิปัสสนามรรคอย่างนี้ การสมภพกล่าวคือเหตุเกิดขึ้นแห่งวัตถุทุกทั้งสิ้นคือชาติชราและมรณะจะไม่มีนะครับไอสมภพนะครับปฏิสนธิเพื่อเป็นชาติชราอีกไม่มีแล้วการอุบัติขึ้นแห่งวัตถุทุกทั้งสิ้นก็จะไม่มีในการต่อไปคือในอนาคตอีกอย่างหนึ่งเหตุเกิดแห่งทุกขกล่าวคือชาติก็จะไม่มีและการเกิดแห่งทุกกล่าวคือชรามรณะก็จะไม่มี พร่ครับเพราะว่าปฏิบัติตามลําดับของปฏิปาาทาญาณทัศนวิสุทธินี่แล้วนะครับอริยมรรคก็จะเกิดอริยมรรคเกิดอริยมรรคที่หนึ่งคือโสดาปฏิมรรคนะครับเมื่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปฏิผลแล้วยังเป็นอุปนิสัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสกท า, าคามิมรรคสกท า, าคามิมรรคก็ยังเป็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิมรรคอนาคามิมรรคก็ยังเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคเมื่ออรหัตมรรคเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ตัด เหตุแห่งวัตทุกได้หมดเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นแห่งทุกคือชาติชรามรณะเป็นต้นจกไม่มีในภพใดๆเลยส่วนในคาถาคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้ละธรรมะเครื่องข้องเจ็ดประการได้แล้วตัดขาดตันหาเป็นเหตุนำไปในภพขาดแล้วมีสงสารคือชาติหมดสิ้นแล้วภพใหม่ของเธอย่อมไม่มีนะครับ ที่บอกว่าสัตตะสังฆปะหีณาสนิความว่าผู้ชื่อว่าละเครื่องข้องเจ็ดอย่างได้เนี่ยนะครับเพราะละเครื่องข้องเจ็ดอย่างเหล่านี้คือเครื่องข้องได้แก่ตันหานะครับตันหานี่มันพาให้ข้องนะเนาะทิฏฐิก็ทําให้ข้องนะครับเครื่องข้องคือมานะก็ข้องเครื่องข้องคือความโกรธนะครับโทสะก็ข้องหรือว่าเครื่องข้องคือวิชาหรือเครื่องข้องคือกิเลสเครื่องข้องคือ ทุจริตนะครับแต่อาจารย์บางท่านหมายถึงว่าอนุสัยเจ็ดอย่างนะชื่อว่าเครื่องข้องนะครับเครื่องข้องเพราะฉะนั้นผ่าหันนี้ก็ละเครื่องข้องทั้ง7จประการนี้ได้แล้วนะครับอเ น, นติดชินนัสะความว่าผู้ตัดกิเลส ท, ที่จะนําไปสู่ภพขาดแล้วนะครับอเ น, นติตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของตันหานันนะครับเป็นเครื่องนําไปสู่ภพเนี่ยนะาหันก็ตัดขาดแล้ว บทว่าวิขีโนชาติสังสาโรความว่าก็สงสารที่เชื่อว่าเป็นตัวชาติเพราะเป็นเหตุของชาติโดยการเป็นไปด้วยสามารถแห่งการเกิดขึ้นแล้วๆเล่าๆเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าชาติสังสาโรนะครับไอสังสาระนั่นนะครับเรียกว่าชาติเพราะมันเกิดบ่อ ย, อยๆเนี่นะครับ เกิดจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งนำปฏิสนธินะครับนำขันทั้งหลายปฏิสนธิในพบนั่นบ้างพบนี้บ้างะนะเพราะฉะนั้นไอ้ชาติก็เลยชื่อว่าสังสาระหรือว่าสังสาระเลยชื่อว่าชาติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าชาติสังสารโรสงสารคือชาตินั้นสิ้นสุดแล้วคือสิ้นสุดลงแล้วเพราะตันหาที่นำไปสู่พบถูกตัดขาดแล้วต่อแต่นั้นพบใหม่ของท่านก็จะไม่มีนะครับเพราะไม่มีการปฏิ สนที่ในพบใหม่นะครับไม่ว่าพบใดพบหนึ่งเลยนะครับ